ทำไมต่างกันทำไมโง่ทำไมฉลาดทำไมรวยทำไมจนเออทำไมออพิก่งพิการอย่างนี้ทาไมคนเกิดมาทำไมไม่เหมือนกันเออพรพุทธยาท่านมองดูท่านรู้ท่านเห็นนว่ากรรมคือการกระทำถ้าผู้ใดทากรรมไม่ดีเอาไว้กรรมนั้นจะตามสนองเะกรรมนั่นแหละจะเป็นผู้เป็นผู้พานำเเหมือนกับพวกเราท่านทั้งหลาย เ, เกิดมาพบนี้ชาตินี้ขี้เกียจ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 เป็นคนดีตลอดและ ก, การทํามาหาเลี้ยงชีพขยันในการทํามาหาเลี้ยงชีพไม่ต้องพูดถึงนะกรรมดีเขาเขาทําแล้วกรรมดีตอนนั้นจะจ ะ, จะจะตามสนองพวกเราไปสู่ความสุขความเจริญได้นี่แหละหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าจะมีอะไรเป็นจิตประสาทไม่ใช่กรรมคือการกระทําถ้าตัวเองทําดีแล้วจะชั่วได้ยังไง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 จะดูแลนั้นไม่มีคุณภาพไม่มีคุณธรรมไม่มีศีลธรรมไม่มีจริยธรรมที่ดีเพราะนั้นลูกที่พวกเรามานี่ก็คือเกือออ้อกูลหนุนกันส่งเสริมกันลูกหลานผู้ใดมาบวชในพระพุทธศาสนาเออยกมือให้ อ, อยินดีพอใจสนับสนุนผู odes, ้ที่ประกอบคุณงามความดีอย่างนี้แหละถูกต้องถ้าคนไหนที่ทำไม่ดีก็เออเอาถึงจะดูถูกเกลียดยามประนามก็